จบเสียงอ่านพุทธธรรมฉบับปรับขยายบทที่สปฏิจจสมุปบาทการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้นโปรดติดตามตอนต่อไปและควรศึกษาตามลำดับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วนนะครับขอทุกท่านร่วมอนุโมทนากับเจ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้กัมปนาศคำม่วงจตุรงช่างพินิษนิยมโคตรมณีสุภาพพ์เทียมบุญประเสริฐ ครอบครัวนิติสรวุฒิครอบครัวทรงพลครอบครัวอดิเทพสถิตรัตนอาภาอัตโตยิพันธิปสันติภากรแชยนรงและอระวรันอนุสนทิวงอิสราสิงภูมิจิตมาจิรภาพัน์สินีนา จ, จัมปาทิ พ, พงเพชรรินพงเพชรกูลนัตพัฒน์รุ่งเจริญเมทากรจงไพศาล ส, สุภมาศบุญประเสริฐครอบครัวเรืองสีรวมกับอีกหลายท่าน ดูได้จะเครดิตท้ายเรื่องและารายละเอียดทุกช่องทางที่เผยแพร่ขอทุกท่านร่วมอนุมโมทนากับผู้ร่วมจัดทาทุกท่านรวมถึงท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง